ไม่ปรุงแต่งเล่าล้ออะไรไปปล่อยวางความดินน้นรนความปรุงแต่งอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นไม่ปรุงแต่งไปเรื่องอะไรในโลกโลกในใจมันอยู่ขอมันอยู่เยอะออยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่ปรุงแตง่งท่ามาอยู่นี่แล้วเนี่ยมันต้องปล่อยวางความปรุงแต่งให้หมดแล้วท่านก็จะรู้เองว่าอ๋อความไม่ปรุงแต่งมันเป็นยังไง ความสิ้นความปรงแต่งนั่นแะเป็นธรรมมันจะเห็นรู้ธรรมเห็นธรรมอ๋อธรรมมันเป็นยังไงธรรมก็คือความสิ้นความปรงแต่งท่านมาอยู่ที่นี่แล้วท่านกบปล่อยวางความปรงแต่งไปอดีตวางมันไปเสียอนาคตก็วางมันไปอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจะทรงจิตออกนอกไปหาอะไรอย่าอย่าไปปรุงแต่งพยายามทํำไรเป็นอะไรอย่าอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นไปใมันอยู่กับปัจจุบันนี่แนะ จะไปกับอดีตจะไปกับอนาคตจะทรงจิตออกนอกไปฮะปรุงส่านไปทำมันอยู่ในตัวให้จิตมันอยู่ในตัวในกายในใจเรานี่แน่ปล่อยวางความปรงแต่งทั้งมวลไปอยู่กับปัจจุบันเนี่ยท่านก็จะรู้เองว่าโอ้เมื่อใจมันสิ้นความปรงแต่งที่หลนทยานอยากไปในกิเลสตา่ตางๆ ม, ม, มันสงบสงัดไปทั้งโลกธาตุเลยเนี่ย ใจก็สงบเงียบสงัดภายนอกก็สงบเงียบสงัดไปหมดออดีตปล่อยวางมันเสียอนาคตก็ไม่ต้องไปกังวลมันปัจจุบันเนี่ยมันสิ้นความคงแต่งแต่มันอยู่กับใจในปัจจุบันเนี่ยอถ้ามันไม่อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไว้เรื่อยไปด้วยความรู้สึกตัวอยู่ภายใน แต่ถ้ามันอยู่ก็รู้ตัวว่าเออมันไม่มีความปรุงแต่งอะไรใจมันก็อยู่ปัจจุบันที่สิ่งความปรุงแต่งถ้ามันมีความรู้ตัวอยู่อย่างนี้ก็อยู่กัรู้ไปอยู่กับรู้ว่าไม่ไม่ไปปรุงแต่งกับอะไรทั้งหมดแหละมันจะเป็นยังไงปล่อยให้มันเป็นของมันเองตาก็มองเห็นตามธรรมชาติปกติไม่เข้าไปยึดถืออะไรไม่เข้าไปลักไปชงัง หูก็้ยินเสียงธรรมชาติตามปกติร้อเอร์ซ็นไม่เข้าไปลักไปช่างจมูกก็ได้กีิ100่1ร้อยเอร์เซ็นไม่เข้าไปรับไปช้างลิ้นก็ให้มันรับรู้สัมผัสร้อยเปอร์เซ็ตถ้าไม่กินอะไรก็รับรู้ลดกลางก 100% ร้อยเปอร์เซนกายก็สัมผัสอากาศร้อนเย็นยุงเหลือบลายมาแมลงที่มันตอมมาใต่ร้อยเปอร์เซ็นตรับรู100้ร้อยเอร์เซ็ต ใจก็รู้อาการทางใจร้อยเปอร์ซนว่ามันมีความรู้สึกนึกคิดอารมอะไรก็รู้มันอย่างตรงไปตรงมาร้อยเปอร์เซนสรุปแล้วต้องประตูตาหูจมูกนิ้นกายใจอ่ะรับรู้มันร้อยเปอร์เอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยอยู่กับการรู้เนี่ยรู้ซื่อซื่อรู้ซื่อซื่ออยู่กับรู้ซื่อซื่อรับรู้ทางทวารทั้งหูฟพร้อมกันร้อยเอร์เซนอยู่กับรู้อยู่กับรู้ซื่อซื่อถ้าอยู่กับรู้ได้อย่างนี้ก็อยู่กับรู้ไปเลยจิตก็จะคิดก็คือตอมประดับอย่างไรก็ สักตะวัรู้เขาร้อยเปอร์เซน์พร้อมกับรับรู้ทั้งตาหูจหมูลิ้นกายใจประตูอีกทั้งห้าภายนอกเนี่ยร้อยเรเซนรับรู100้ร้อยเอร์เซนตคือชัดเจนแจ่มแจ๋วหมดเลยอีกห้าประตูตาหูจหมูกลิ้นกายใจแต่ไม่เข้าไปรักไปช่างประตูใดเลยแล้วประตูภายในก็มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างไรไม่ว่ากุญแจนักกุญแจอะไรต่างๆเนี่ยจะรับรู้อย่างที่มันเป็นตรงไปตรงมาร้อยเปอร์เซนตไม่หลงเข้าไปหมกมุ่นคุณคิณคดตัเองเลยเป็นแต่รู้ไม่ไปเป็นผู้คิดเป็นรู้เป็นเป็นคิด เพราะรู้คิดไว้ได้ถ้าคิดไม่รู้ถ้ารู้ไม่คิดเพราะทาบรู้ไม่อาจคิดได้ให้เป็นรู้รู้อะไรเนี่ยก็รู้เป็นรู้เนี่ยรู้ไปซื่อๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือสักตะวารู้ซื่อๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจร้อยเปอร์เซนต์ู้ไปพร้อมๆกันเนี่ยรู้อย่างตรงไปตรงมาอยู่กับรู้อย่าไปอยู่กับคิดอยู่กับรู้ รู้สัตวะรู้อยู่กับรู้รู้ไม่คิดแต่คิดไม่ใช่รู้มันคิดเราก็รู้คิดแต่ไม่ใช่เราไปคิดมันคิดก็รู้คิดอยู่แต่ไม่ใช่ว่าไปไล่รู้ความคิดเพราะว่าไอ้รู้เนี่ยมันไล่อะไรไม่ได้มันได้แต่รู้มันไล่อะไรครับไล่ไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยไปไล่ดับความคิดไล่รู้ความคิดจะไล่ไม่ได้มันเคลื่อนที่ไม่ได้รู้เนี่ยมันเคลื่อนที่ไม่ได้แต่จิตเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้จิตที่คิดก็่นคือตอมุ่งแต่มันเคลื่อนที่ได้ แต่รู้เป็นเพื่นที่ไม่ได้รู้มารู้จิตเนี่ยแหละรู้จิตรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสเนี่ยสักตะวารู้คือให้ประตูตั้งหกเนี่ยมันรู้ทํางานคู่กันระหว่างรู้ทางวิญญาณขันเนี่ยรู้ทางตะวันตาอุจจาลินใกายใจกับธาตุรู้ทํางานควบคู่กันไปเนี่ยแต่ถ้ารู้เนี่ยไอ้ที่มันรู้ทางตาอุจจาลินกใจมันรู้มันต้องมาภาคในใจมาคิดนึกติดตอมปรุงแต่งในใจ แต่ใจอ่ะที่เป็นจิตเดิมกระแที่ทมันรู้อ่ะมันก็รู้ไอ้วิญญาณอขันเนี่ยที่มันรู้อะไรเอามาคิดมาสึกประตองมาพากในใจแต่วิญญาณธาตุซึ่เป็นธาตรู้นี่มันได้แต่แค่รู้แต่ตัวมันเนี่ยเอามาคิดนึกคิดตองปรุงแต่งไว้ได้แต่ถ้าเป็นวิญญาณอขันเนี่ยมันไปรู้อะไรแล้วมันเอามาภาคเอาพูดอยู่คนเดียวใน ใ, นใจได้แต่วิญญาณธาตุเนี่ยมันก็รู้ว่าเนี่ยใ น, ในใจเรามันคิดนึกคิดตองปรุงแต่งพูดว่ายังไง ใจเนี่ยมันได้แต่รู้สิ่งที่เกิดดับในใจสิ่งที่เกิดดับในใจก็คือวิญญาณจิตหรือวิญญาณขันเนี่ยมันรู้อะไรแล้วมันนองภาคมาพูดประส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารเกิดดับอยู่ในใจแต่ใจมันไม่เกิดดับด้วยใจมันได้แต่รู้ใจมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างใจมันพูดไม่ได้คิดไม่ได้นึกหรือตอมปรุงแต่งไม่ได้ได้แต่รู้สิ่งที่เกิดดับอยู่ในใจแต่ขนาดเดียวกันก็เปิดรับรู้ตรงตาวเจ้าหมูลิ้นกาใจเพื่อวิญญาณขันมันรับรู้ไปด้วยเดี๋ยวพอมันรับรู้ตรงตาวเจ้าหมูล คิดปรุงปรุงคิดอยู่ในประตูใจส่วนใจมันก็เลยรู้ว่ามีสิ่งใดเกิดดับอยู่ในใจแต่ใจไม่เกิดไม่ดับด้วยไม่มีกิริยาการใดเลยใจอ่ะไม่มีตัวใจหรอกมีแต่รู้ว่าทุกอย่างที่เกิดดับอยู่ในใจเนี่ยไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปยึดมัน่นถือมัน่นไม่มีตัวเราเอาไปเอาตัวเราไปคิดไปปรุงแต่งอะไรเลยแ ต, แต่รู้อยู่นี่แหละสรุปแล้วก็คือสัจธรรู้ ทั้งตาหูจหมูลิ้นกายใจทั้งหกประตูไปพร้พอมกันเป็นรู้ไม่เป็นคิดไม่เป็นคิดเป็นรู้รู้ไม่คิดแต่คิดไม่รู้แต่ก็รู้คิดนั่นแหละแล้วก็รู้ไปพร้พอมกันทั้งตาห้จหมูลิ้นกายใจเปิดทั้งหกประตูไปพร้อมๆกันรู้สัมผัสร้อยเปอร์เซนอยู่กับรู้ใจยัางไงมันจะมีความรู้สึกหรคิดอารมณ์อย่างไรสร้างมันเถอะ ่าไปไล่รู้มันแล้วจะหลงไปกลับมันจะไปไล่รู้มันแล้ว่าหลงไปกลับมันก็รู้เนี่ยตื่นรู้ขึ้นมาไอ้มีสติตื่นรู้ตั้งหกประตูเนี่ยให้มันตื่นรู้ทั้งหกประตูร้อยเปอร์เซ็ตพร้อมๆกันประตูตาก็รู้หูก็รู้จมูกก็รู้ลิ้นก็รู้กายก็รู้ประตูใจก็รู้มันเอาอะไรมาคิดอยู่ในใจนึกอยู่ในใจยังไงสบายใจไม่สบายใจยังไงก็รู้มันอย่างที่มันเป็นน่นเ ตืรู้มีสติตื่ตนรู้ฝังหกประตูเนี่ยสัตวตะวันรู้รู้ซื่อๆตรงไปตรงมาอย่าไปหลงคิดอย่าไปหมกมุ่นคุณคิดอย่าพยายามไปทำอะไรเป็นอะไรอย่าไปปรุงแตง่งเพราะว่ารู้มันปรุงแต่งไม่ได้มันได้แต่รู้มันปรุงแต่งไม่ได้พยายามทำอะไรเป็นอะไรไม่ได้ปล่อยทุกอย่างมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองน่ะเหมือนเสียงจักระจันร้องตอนเนี้เสียงกบเสียงเขียดเสียงนกร้องเสียงอะไรนั่นเนี่ยร้องกันได้เต็มไปหมดนะจริงดีจริงเลย มันเป็นธรรมชาติที่เงียบสงบสง่าแล้วดูเดี๋ยวเสียงมันร้องลั่นไป ห, หมดเลยสัตว์ทั้งหลายเนี่ะฝนจะตกแล้วไงเมื่อคืนเนี้ยพายุมันเข้า่าเสียงสัตว์ร้องอะไรเต็มไปหมดเลยรเง่งหมดดังลั่นหมเลยเนี่ยเราก็เปิดทวารเนี่ยฟังมันตั้งมั่งเนี่ยฟังเสียงธรรมชาติมั่งเนี่ย <_. S 2> เสียงจักจั่นเสียงสัตว์ไมันร้องอะไรเง่งหมดนะเปิดทวารเนี่ยหูนเนี่ยมันฟังมันชัดเจนตาก็มองมันเห็นชัดเจน ถ้าเราไม่เอาตามองให้ชัดเจนหูฟังเสียงธรรมชาติได้เจนเนี่ยเราจะไปหมกมุ่นคุณคิดแต่อยู่แต่ข้างในเนี่ยหมกมุ่นแต่อาการข้างในอะอันเนี้ยไอการที่เราตามองเห็นอะไรมันชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นหูฟังเสียงธรรมชาติเนี่ยมันเป็นตัวขานำนาจไว้ไม่ให้มันเข้าไปหมกมุ่นอยู่ในใจได้ไม่งั้นมันจะหมกมุ่นคุณคิดแต่อยู่ในใจน่นะเข้าไปหมกมุ่นคุณนคิดอยู่ในใจไปยุ่งวุ่นวายแต่อาการไปหมกมุ่นคุณคิดอยู่ในใจ ถ้าเราขาดอำนาจของประตูใจไว้ให้ตายมันมองเห็นชัดเจนไว้ร้อยเปอร์เซนตหูก็ให้มันเนี่ยฟังเสียงธรรมชาติมันยินร้อยเปอร์เซ็นต์จมูกก็ให้ได้กลิ่นร้อยเอร์เซนลิ้นก็ให้มันรู้รสร้อยเปอร์เซ็นต์กายก็ให้มันรู้สัมผัสร้อยเปอร์เซ็นไว้ให้มันขาดอำนาจของประตูใจไว้มันก็จะเข้าไปหมกมุ่นประตูใจไม่ได้ไม่งั้นมันจะเข้าไปหมกมุ่นกุณคิดยุ่งมุ่นไว้กับเวทนายุ่หมุ่นวายกับความคิดยุ่หมุ่นไว้กับเรื่องสี่คิดหลงคิดปุงแต่งมั่วก็ไปหมด หลงพ่นในอดีตอนาคตเออให้มันรับรู้ประตูนอกห้าประตูไว้คานประตูในประตูใจไว้ประตูเดียวแล้วก็แค่รู้นะจักแต่วาล่วยมันจะได้ไม่ไปหลงคิดปรุงแต่งหมกมุ่นอยู่ประตูใจให้อยู่กับรู้จะได้ไม่เป็นคิด